จเจริญตอนพวกเราทุกคนหลวงพ่อไม่ได้มาหลายเดือนประสบอุทกภัยพวกเราก็เลยเป็นถือว่าเป็นกลุ่มลูกศิษย์รุ่นน้ําท่วมนะผ่านอุทกภัยมาแล้วชีวิตนะเอาความแน่นอนไม่ได้เรากะว่ามันแน่นอนแล้ว พอถึงเวลาจริงๆมันไม่แน่นอนหรอกชีวิตไม่ได้เหมือนที่นึกนึกจริงชีวิตเป็นสิ่งที่ซับซ้อนยุ่งยากชีวิตเราถูกกาหนดด้วยกรรมจำนวนมากที่เราทำมาทั้งกรรมในอดีตกรรมปัจจุบันเรามาเป็นอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้เราเป็นอย่างที่เราทำ อย่างพวกเราทำไมถึงสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะเรามีเชื้อเดิมที่จะสนใจในการศึกษาปฏิบัติคนตั้งโลกหนึ่งเยอะแยะจะมีสักกี่คนที่เขาจะสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมและคนที่สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นที่จะเรียนจนถึงคำสอนแท้ๆของพระพุทธเจ้าได้มีไม่มากหรอก ส่วนมากที่ปฏิบัติกันมันไปหยุดอยู่แค่การทาสมถะ ท, ทําสมาธิเท่านั้นเองไม่ค่อยจะขยับขึ้นมาถึงเรื่องการเจริญปัญญาทั้งๆ ท, ที่ในความเป็นจริงแล้วทั้ทงการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิอะไรเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเราเสอีกนักปราชญ์ที่ไหนก็สอนเหมือนเมืนกันสอนให้รู้จักทาทานให้รักษาศีลให้มีสมาธิอะไรเนี่ย แต่การที่จะหัดเจริญปัญญาเนี่ยมีในคำสอนของพระพุทธเจ้าพราท่านมองว่าเราต้องช่วยตัวเองให้ได้ไม่มีใครกระทั่งเทวดาพระจงพระเจ้าอะไรนะไม่ได้มากำหนดชีวิตเราหรอกเราเป็นอย่างที่เราทำแล้วท่านก็ย้ำเลยว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา งานการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยของพระพุทธศาสนาลำพังรักษาศีลก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาแต่ลำพังจะรักษาศีลทาสมาธิไม่ฝึกวิธีเจริญปัญญาไม่รู้วิธีเจริญปัญญาก็ปฏิบัติเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ได้ พระพุทธเจ้านะตอนเป็นพระโพธิสัตวนะ์รู้วิธีรักษาศีลรู้วิธีทําสมาธนะิถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎกอ่านชา ด, ดกอะไรพวกนี้จะพบในพระโพธิสัตว์นะได้อภิญญาหนะ้าขาดอภิญญาที่หกนะคือการล้างกิเลสท่านได้อภิญญาห้านั้น 5, นะเป็นผลของสมาธิที่สําเร็จรูปแล้วเต็มที่แล้วเนะี่ยสิ่งเหล่านี้มีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ สิ่งที่ท่านตรัสรู้นั้นท่านตรัสรู้วิธีเจริญปัญญานะวิธีที่ทำยังไงนะจะทำวิปัสสนากรรมฐานได้สมถกรรมฐานเป็นของทั่วๆวไปวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีแต่ในเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะของกายของใจของรูปของนามนี่แหละนะถ้าเรียนรู้แจ่มแจ้งนะจะหมดความยึดถือในรูปในนามในกายในใจนี้ เราจะเห็นในตัวเราไม่มีแต่ตเราไม่มีของเราก็ไม่มีนะอะไรที่แ ป, ปรปลวนไปในโลกนี้อย่างร่างกายนี้แปรปรวนมันไม่ใช่ร่างกายของเราจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราเลือกไม่ได้เราห้ามไม่ได้กนะ็เห็นอีกมันไม่ใช่ของเราหรอกเป็นธรรมดานะเป็นของที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรื่อยใจยอมรับความจริงเหล่านี้นะใจก็พ้นจากความปรุงแต่งนะใจก็มีความสุขมีความสงบมีความสะอาดหมดจด เป็นความสะอาดที่ไม่มีอะไรเหมือนนะหมดจดงดงามมีความสุขอิ่มเอิบอยู่ในตัวเองทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละพราจิตใจของเราแต่ละคนแต่ละคนนั้นมันเศร้าหมองเพราะมีกิเลสมันเยอะถ้าเวลาที่กิเลสหยาบหยาบยังไม่มาแล้วนะมีกิเลสละเอียดอยู่ภายในนะพวกอนุสัยนะพวกอาสวะกิเลสพวกอนุัสพวกนิวอนอรณเลยเนี่ยซ่อนอยู่ข้างใน ตนอนยังเป็นอนุสัยเป็นอาสวะอะไรเนี่ยไม่แสดงตัวออกมาใจเราก็โปร่งสบายนะพออนุสัยอาสวะทํางานออกมาเป็นนิวรณ์เป็นกิเลสขึ้นมาใจก็หมองใจเราถ้าไม่ไปยุ่งกับมันนั้มันผ่องใสพอกิเลสเข้ามากระทบกระทั่งมันก็เศร้าหมองแต่คําว่าจิตใจผ่องใสไม่ใช่บริสุทธิ์ในความผ่องใสนั้นมันยังซ่อนกิเลส ท, ที่ละเอียดเอาไว้ กิเลสที่ละเอียดก็คือพวกอวิชชานะพวกอาสบะทั้งหลายพวกพวกนี้ละเอียดนะดูยากสังโยชน์อะไรพวกนี้นะกิเลสละเอียดกิเลสละเอียดเนี่ยเอาศีลไปสู้กับมันสู้ไม่ได้คนละชั้นกันเอาสมาธิไปสู้ก็สู้มันไม่ได้สิ่งที่จะสู้กับกิเลสละเอียดได้มีสิ่งเดียวเท่านั้นคือปัญญาเนะีงั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธ การรักษาศีลการทําสมาธนะิท่านก็เห็นว่ามันมีนมประโยชน์ศีล น, นั้นเป็นเครื่องมือสู้กิเลสอย่างหยับหยับกิเลสหยับหยับคือราคาโทสะโมหะมันรุนแรงถ้ากิเลสรุนแรงมันครอบใจได้นะเราก็ทําความผิดทางกายทางวาจาได้ไปด่าเขาได้ไปตีเขาได้ไปชอบโกงเขาได้อนะไรเงี้ยก็มีศีลเป็นเครื่องกั้นไม่ยอมให้กายวาจาทําตามใจกิเลส แม้ศีลมันเป็นแค่เครื่องกั้นไม่ให้กายวาจาทําตามใจกิเลสเท่านั้นยังไม่ได้ชนะกิเลสเลยนะแค่ว่าไม่ให้มันมาบงการให้เกิดพฤติกรรมน่ากเกลียดเท่านั้นเองนะสมาธิมันก็เป็นเครื่องมือกดข่มกิเลสศีลนะมันกั้นไม่ให้กิเลสมาครอบงําจิตนะไปทําความชั่วนะไม่ยอมทําความชั่วปิดกัน้นไม่ยอมทําความชั่วตามคําบงการของกิเลสส่วนสมาธินั้นนะเป็นเครื่อง ข่มกิเลสไมชั่วคราวไม่ใช่แค่กัน้นตัวเองไม่ให้ทําตามกิเลสนตะสมาธิมันพัฒนาการต่อสู้ขึ้นไปอีกเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะมันปิดกัน้นมันกดข่มกิเลสไว้ชั่วคราวนะกำลังของสมาธิมีอยู่นิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่มีกนะําลังสมาธิตกเมื่อไหร่นะกิเลสก็บ๊อมเรานะมักจะบ๊อมหนักกว่าเก่าด้วย สังเกตง่ายๆอย่างแต่ก่อนหลวงพ่อไปตําวัดนะสมัยยังหนุ่มๆเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยยังเออเอออยู่เลยนะเดี๋ยว น, นี้งอมแล้วไปตําวัดนะเห็นเลยคนไปนั่งสมาธิเยอะๆยะเลยแต่และคนดูดีแคําว่าดูดีนะดูดีกายวาจารเรียบร้อยกิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพนุ่มนวลอะไรเงี้ยญาติพี่น้องหรือว่าคนใช้อะไรนะแอบมานินทา น, นะว่าอยู่บ้านร้ายที่สุดเลย เวลาอยู่วัดเราดีดีทําไมมันดีทําไมอยู่บ้านเราร้ายอยู่วัด น, น, น, นั่งสมาธิทั้งวันมันจะร้ายได้ไงใช่ไหมเก็บกดไว้เต็มที่เลยนะพอกลับถึงบ้านอาลวาดเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นมันขม่มนิวรณ์เอาไว้ชั่วคราวนะนี่สมาธิข่มนิวรณ์ไว้ได้ชั่วคราวเดี๋ยวนึงมันก็กลับมาบ่อมเราแล้วกมันคิดดอกเบี้ยด้วยนะคิดดอกเบี้ยพวกที่นั่งสมาธิติดความสงบมากๆนะขี้โมโหมากกว่าคนทั่วๆไป อารมณ์รุนแรงกว่าคนทั่วๆไปนะเพราะฉะนั้นลำพังมีศีลคอยควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจานะไม่ให้ทำตามใจกิเลสหยาบๆมีสมาธิข่มกิเลสไว้ชั่วคราวนีไม่ยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเราต้องขุดคุยเข้าไปจนถึงรากเหง้าของกิเลสนะการจะขุดคุยเข้าไปทำลายรากเหง้าของกิเลสได้นี่ทด้วยปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นเครื่องรองรับ กระทั่งกิเลสหยาบยังสู้ไม่ไหวเลยอยามาคุยอวดว่าจะสู้กิเลสละเอียดได้ไม่มีทางหรอกนี่เราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าทํำยังไงถึงจะเจริญปัญญาได้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นหัวใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้านะั้นรวบรว ม, รว ม, รวมทั้งหมดเลยแล้วลงในอริยสัจพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าธรรมะทั้งหมดเลยนะถ้าจะประมวลลงมานะก็ประมวลลงได้ในอริยสัจ เหมือนรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายนะรวมลงในรอยเท้าช้างได้อริยสัตว์นี่เหมือนรอยเท้าช้างเนธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นรอยเท้าของสัตว์ต่างๆรอยเท้าคนรอยเท้าควายอะไรางี้ยคนกับควายกใกล้เคียงกันนะใ้เคียงกันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันถ้าเราเข้าใจอริยสัตว์จะล้างอาวิชชาได้จะทำลายรากเหง้าของกิเลสได้ ถ้าไม่เข้าใจอริยสัจยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่เป็นความจริงแท้เลยพระพุทธเจ้าพูดเลยว่าถ้าไม่แจ่มแจ้งไม่เข้าใจอริยสัจไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทอะไรอย่างเงี้ยอริยสัจปฏิจจสมั ย, สยก็พวกเดียวกันถ้าไม่เข้าใจอริยสัจยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดตอนที่ท่านใกล้ปรินิพานสามเดือนสุดท้ายใกล้ปรินิพานเนี่ยธรรมะที่ท่านแสดงส่วนใหญ่คือเรื่องอริยสัจ ท่านแสดงธรรมะเรื่องอริยสัจนี่แสดงทิ้งทวนเลยเรื่องสําคัญถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจเราจะต้องเวียนไหวตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะเราไม่มีปัญญาจริงลนะาพังมีศีลมีสมาธินะกิเลสซ่อนอยู่ข้างในซ่อนอยู่ในจิตใต้สํานึกในผวังขจิตถึงเวลามีอะไรมากระตุ้นมันก็กรเพิ่มขึ้นมาโศกโปรกขึ้นมาอีกนะเราต้องลงไปทําลายรากเหง้าของกิเลสในจิตใต้สํานึกของเราให้ได้เลย วิธีการเนี่ยหลวงพ่อประมวลมานะย่อลงมาเหลือนิดเดียวเองทงั้งๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มากมายนะท่านสอนเรื่องการเจริญปัญญาเอาไว้เยอะแยกเลยนะบางทีท่านก็สอนแนวทางการเจริญปัญญามีสามแนวทางใช้สมาธินําปัญญาใช้ปัญญานําสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันนะอารมณ์ของกรรมฐานนะที่จะใช้เจริญปัญญาก็คืออารมณ์รูปนาม ก็แยกแยกออกไปได้หลายแบบแยกรูปนามเนี่ยแยกได้หลายอย่างแยกเป็นขันห้าก็ได้ขันห้าจริงๆก็คือรูปกับนามแยกเป็นอายตนะหก็ได้แยกเป็นธาตุสิบแปดก็ได้แยกเป็นอินรียี่สบสองก็ได้แยกเป็นปฏิจจสมุปบาทสิบสองก็ได้แยกเป็นอริยสัจสี่ก็ได้เป็นเรื่องรูปกับนามยกเว้นนิโรธตัวเดียวนะที่เป็นพ้นจากรูปนามมีเรื่องรูปกับนามเท่านั้นนี่ทํำยังไง เห็นไหมมันเวลาเรื่องเจริญปัญญานะแนวทางเจริญปัญญาก็มี3อย่างเห็นไหมใช้สมาธินําปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิกับปัญญาควบกันอารมณ์ของการทํากรรมฐานทํำวิปัสสนากรรมฐานนะก็มีทั้งหลายอย่างแต่ย่อดลงมาก็คือรูปนามขยายออกไปก็เป็นขันห้าบางคนก็แยกรูปนามออกมาเป็นขันห้าบางคนแยกรูปนามเป็นอายตนะ6ตาปูจมูกลิ้นกายใจ บางคนแยกเป็นธาตุสิบางคนแยกเป็นอินสี 22, ยี่สอะไรเงี้ยนะอันไหนก็ได้นะอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาภูมิเป็นเป็นที่ตั้งนะเป็นอารมณ์ของการทําวิปัสสนาการทําวิปัสสนานั้ยนะจะเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้นะวิธีเจริญวิปัสสนาที่ท่านสอนเนี่ยก็อยู่ในหลักของสติปัฏฐานนะสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยท่านสอนเอาไว้เป็นวิธีเจริญวิปัสสนา มีทั้งวิธีที่ใช้สมาธินําปัญญาปัญญานําสมาธิมีครบเลยในสติปัฏฐานบางอันก็ต้องทําสมาธิก่อนนะนั้นเนื้อหาสาระของการเจริญปัญญาเนี่ยมากมายเหลือเกินคนคนหนึ่งนีใช้นิดเดียวไม่ต้องใช้ทั้งหมดสําหรับคนคนหนึ่งแต่ธรรมะทาไมมีมากมายเหลือเกินเพราะจริตนิสัยของคนนั้นแตกต่างกันพระพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้าของธรรมะนะท่านเป็นธรรมราชา ธรรมะท่านมีเยอะท่านเมตตาสูงท่านเป็นพระกวะโตผู้จำแนกแจกธรรมฉนะนั้นท่านสอนธรรมะไว้หลากหลายมหาศาลเลยแต่ไม่ใช่จำเป็นสำหรับพวเราทั้งหมดพวกเราแต่ละคนนั้นต้องการธรรมะเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะแต่ละคนต้องการธรรมะนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่ต้องทำให้จริงในหลักของการทำให้ปรัชนานะจะมีเรื่องราวตั้งเยอะแยะนะแต่ถ้าย่อลงมานะ ย่อลงมาเป็นภาษาสมัยใหม่ง่ายๆนะให้พวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหลักมีเท่านี้เองในธรรมะที่ตั้งมากมายมหาศาลนะหลักในการที่เราจะใช้เจริญปัญญาจริงๆมีนิดเดียวส่วนวิธีการหรือตัวอารมณ์กรรมฐานหรืออะไรเนี่ยพวกเราไปเลือกเอาตามจริตนิสัยของแต่ละคนไป แ, แกนแกนของการปฏิบัติ มีปรัชนากรรมฐานการเจริญปัญญาเนี่ยมีนิดเดียวท่านนั่นเองให้มีสติมีสติไปทาอะไรไม่ใช่มีสติคิดจะทำบุญใส่บาตรมีสติคิดจะฟังเทศฟังธรรมนั่นก็มีสติเหมือนกันแต่มันสติธรรมดาสติของเราต้องเป็นสติปฐานกเป็นสติที่รู้กายเวทนาจิตธรรมย่อลงมาก็คือรู้รูปกระนามนั่นเองให้มีสติรู้กายรู้ใจ ถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยมากผลนิพพานจะไม่หนีไปไหนพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าถ้ายังมีการเจริญสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระอระหันต์นะอยู่ที่ว่าเราจะเจริญได้ไหมสติปัฏฐานเป็นวิธีการปฏิบัตนะิแนวทางก็มีสมแนวทางใช้สมาธินําใช้ปัญญานำนะสมาธิกับปัญญาควบกันสติปัฏฐานจะสอนถึงวิธีการปฏิบัติ มีปรสชนาภูมิจะสอนถึงอารมณ์ของมีปรั ส, สนานะย่อลงมาแล้วเรามาดูตัวเราเองตัวเราเองเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนถ้าเหมาะกับร่างกายถ้าเหมาะกับการพิจารณากายดูกายนะให้ใช้สมาธินำปัญญาทำความสงบเพืมา ก, ก่อนนะแล้วก็มาดูกายลงไปพอจิตใจเราสงบตั้งมั่นมากๆเนี่ยเราจะเห็นร่างกายมันแยกออกจากจิตร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันจะเห็นอย่างนี้เลยถ้าจิตมีสมาธิพอ แล้วก็คอยดูไปกายมันก็ตกอยู่ใต้ตรลักนะจิตที่เป็นผู้รู้กายก็ตกอยู่ใต้ตรลักเห็นไหมแต่ว่ามันจะเห็นขันเห็นกายกับจิตแยกออกจากกันได้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปรวมเข้ากับกายกายกับจิตก็ไม่แยกกันถ้าจิตตั้งมั่นนะจิตก็แยกอยู่ต่างหากนะกายก็แยกไปอยู่ต่างหากก็แยกออกจากกันทานองเดียวกันถ้าจะดูเวทนานะ ถ้าจิตตั้งมั่นนะจิตไม่ไหลไปรวมเข้ากับเวทนาจิตที่เวทนาก็แยกออกจากกันแต่ธรรมดาจิตของเราเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นมันไหลเข้าไปรวมไปดูกายมันไหลไปรวมกับกายอย่างรู้ลมหายใจจิตไหลไปรวมบนลมหายใจรู้ท้องพองยบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกลมไปรู้เท้านะจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตไปรวมข้ก oriented, ขอกับกายมันเลยกลายเป็นตัวเราขึ้นมาถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตมันแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะกายมันก็จะแยกอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะ คนไหนถนัดดูกายก็ดูกายใช้ได้ดูกายแล้วเห็นอะไรดูกายแล้วจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตไม่ใช่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายอย่างเดียวเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราดูกายเราต้องมีจิตเป็นคนดูต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละจิตที่ทรงสมาธิพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีสมาธิทําสมาธิให้มากๆากพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ย ดูลงไปร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูไปกายก็ตกอยู่ใต้ใจรักจิตที่เป็นคนดูกายก็ตกอยู่ใต้ใจรั ก, กเวลาเห็นนะมันจะเห็นทั้งสองด้านเนอะไม่ใช่เห็นอันเดียวถ้าเห็นอย่างเดียวนะมีแต่กายอย่างเดียวขยับไปเคลื่อนไหวไปนะรู้หมดเลยร่างกายเคลื่อนไหวยังไงรู้หมดเลยแต่จิตไปรวมเข้ากับกายจิตไม่แยกออกมามันจะไม่รู้สึกหรอกว่าไม่ใช่เรา แต่ถ้าจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูปุ๊บ ก, กายอยู่ส่วนหนึ่งมันจะแยกกันระหว่างกายกับจิตมันจะเห็นเลยกลายนี่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่เราเพะฉั้นตัวสําคัญเลยก็คือจิตที่ตั้งมั่นเะในตําราถึงบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นนะไม่มีปัญญาเพราะแยกขันไม่ออกถ้าแยกขันไม่ออกก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ของแต่ลักษ์ขันมรรคผลในพานก็ไม่มีไม่เกิดมรรคผลไม่เกิดใันนี้พานมันมีอยู่แล้ว มีผ่านไม่เกิดนะมากผลนะเกิดแล้วมากผลก็ดับนิพานท่าอย่างเดียวหรอกที่ไม่เกิดไม่ดับนะนี่เราค่อยมาฝึกนะหลักการปฏิบัติมีเท่านี้เองนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงหมายถึงอะไรไม่เข้าไปแทรกแสงกายเป็นยังไงรู้สึกไปจิตเราเป็นยังไงรู้สึกไปเช่นจิตมันโกรธขึ้นมาจิตมันเสียใจจิตมันน้อยใจขึ้นมาก็เห็นไปเลย ความโกรธความน้อยใจความเสียใจนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกมันคือตัวของความโกรธทั้งหลายนะเป็นลูกเล็กลูกน้อยของความโกรธจิตโลบขึ้นมานะจิตยึดถือในความคิดความเห็นขึ้นมาเนะี่ยก็เห็นเลยความยึดถือก็ดีความโลบก็ดีนะไม่ใช่จิตหรอกจิตมันปรุงขึ้นมานะแล้วถ้ารู้ไม่ทันนะกิะเลสพวกนี้ที่จิตปรุงขึ้นมานะมันจะกลับมาปรุงจิตมาครอบงาจิตอีก แต่ถ้าเราฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตถอนตัวออกมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นขันกระจายตัวออกตรงที่ขันมันกระจายตัวออกนี่แหละเราจะเริ่มล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เหมือนอย่างเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆพอเราถอดรถยนต์ออกมาเป็นชิ้นๆลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์ล้อก็ไม่ใช่รถยนต์อย่างเงี้ยเบาะก็ไม่ใช่รถยนต์แต่พอมารวมกันเราเป็นรถยนต์ สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันถ้าขันห้ามารวมกันมันก็มีตัวเราขึ้นมาถ้าขันห้ากระจายออกไปขันแต่ละขันจะไม่ใช่ตัวเรานี่ขันจะกระจายออกไปได้นะต้องดึงจิตที้มาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้จิตตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยขันจะแยกตัวออกไปร่างกายที่เคลื่อนไหวนั้นไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นั้นไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า กุศลอะกุศลคือสังขารทั้งหลายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะนี่ฝึกไปเรื่อยมีแต่ของถูกรู้นะสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นหรอกนะอย่างเราเห็นเห็นหลวงพ่อไหมแล้วพวกเรารู้สึกไหมว่าหลวงพ่อเป็นตัวพวกเราไม่รู้สึกใครรู้สึกก็บ้าแล้วไปหามหมอได้ละงั้นเวลาที่ใจเราตั้งมั่นั้นเห็นร่างกายนะถ้ารู้สึกว่ากายเป็นเราก็บ้าแล้วล่ะ จริงๆคนในโลกบ้านะพวกเราก็ส่วนใหญ่ก็ยังบ้าอยู่ ย, ยังวิปลาสอยู่เราเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราอยู่นะนี่เราอย่างวิปลาสอยู่นั้นเรามาหัดนะมาฝึกมาดูความจริงของกายของ ใ, ใจเนืองๆนะถ้าคนไหนถนัดจะดูกายเหมาะที่จะดูกายทําสมาธิให้มากหน่อยคนไหนถนัดรู้เวทนาสมาธิที่ิ่งต้องแนบแน่นใหญ่นะถ้าเวทนาทางกายนะ เวทนาทางใจดูง่ายไม่ต้องใช้สมาธิเยอะถ้าเวทนาทางกายต้องใช้สมาธิเยอะมากเลยอย่างมันปวดเนี่ยนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยนะถ้าสมาธิไม่พอสติแตกไปเลยทนไม่ไหวก็เลิกปฏิบัติไปเลยถ้าสมาธิพอมันจะแยกได้นะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแยกได้เนี่ยถ้าสมาธิมากพอ עם, มก็แยกได้ไกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งนี่ถ้าพวกเรา ทำสมาธิไม่เก่งทำไงกรรมาฐานสําหรับพวกทําสมาธิไม่เก่งแะพวกไม่มีเวลาจะทําสมาธิ น, นี่พูดแบบไว้หน้ากันนะจริงๆพวกเราทําสมาธิไม่เก่งหรอกฟุ้งซ่านเกิดมาก็ฟุง้งตลอดชีวิตมาแล้วน ะ, ละหลัวพ่อพูดไว้หน้าไหนก็คือพวกเราไม่ค่อยมีเวลาทําสมาธิเราจะทํำยังไงดีให้เกียรติกันนะยิ <c oughs> ่งให้เป็นนั่งก็นั่งไปได้เรื่องนั่งก็นั่งหลับทําไมนั่งสมาธิแล้วหลับนะมันฟุ้งมาเต็ ม, เ ต, มเต็มเหนียวแล้วเนี่ย ถ้าฟุ้งซ่านมากนะ้นก็ซึมมากเป็นกฎธรรมดาเลยเหมือนช่วงไหนราคามากนะอีกช่วงหนึ่งโทรศสะจะมากนะเป็นอย่างนี้แหละงั้นถ้าฟุ้งมากเดี๋ยวก็ซึมพวกเราผู้ไม่ค่อยมีเวลาจะทําสมาธินะเราจะใช้กรรมฐานอะไรดีใจของเราวอกแวกรู้สึกไหมใจของเราวอกแวกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูจิตไปนะการดูจิตเลยเหมาะกับพวกที่ไม่ค่อยมีเวลาทําสมาธินะนะ แล้วเราหัดนะหัดดูจิตไปเราจะเห็นเลยเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะไม่ใช่ไม่ให้กระทบนะถ้านั่งสมาธิอยู่เหลือแต่ใจอันเดียวนะเหลือแต่อารมณ์ทางใจยิ่งสมาธิลึกเข้าไปนะอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ดับหมดเลยเหลือแต่อารมณ์ทางใจอันเดียวนะนี้พวกเราเนี่ยเราเก่งมากเลยเก่งกว่าพวกนั่งสมาธิเราเปิดประตูรับค่าสึกทีเดียวหกประตูเลยนะเก่งกว่าเขาเยอะเลยนะ ถึงไปไม่ค่อยรอดให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่เมื่อกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดความสุขขึ้นที่ใจตัวที่ใจนะรู้ทันเกิดความทุกข์ขึ้นที่ใจให้รู้ทันเกิดเฉยๆขึ้นที่ใจให้รู้ทันถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปเกิดกูศสนขึ้นที่ใจให้รู้ทันเช่นเราเห็นพระ จิตใจเราเบิกบานนี่จิตเป็นกุศลบางคนเห็นพระจิตเกิดอกุศลเลยคิดว่าจะมาเรี่ะไรล่ะใครเคยเห็นพระแล้วเกิดอกุศลไหมเยอะเลยหลวงพ่อยังเห็นเลยสมัยเป็นโยมนะเห็นพระมันดีเกิดอกุศลนะเนี่ยเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดทบอารมณ์นะ เกิดกุศลให้รู้ท um. ันเกิดอกุศลให้รู้ทันมันโลภขึ้นมาก็รู้ว่าโลภนะมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธมันหลงขึ้นมารู้ว่าหลงอย่าไปห้ามมันถ้าตั้งอกตั้งใจห้ามนะเป็นการเข้าไปแทรกแซงเราจะไม่แทรกแซงเพราะการเจริญปัญญานั้นไม่ได้มุ่งเอาความดีมีกิเลสก็ได้เราไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งเอาความสุขเพราะงั้นฟุ้งซ่านก็ได้ไม่ได้มุ่งเอาความสงบไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งเอาสุข ไม่ได้มุ่งออกสงบนะกิเลสเกิดก็ได้นะชั่วก็ได้มีกิเลสนะฟุ้งซ่านก็ได้เราต้องการเห็นอะไรนะเราจเจริญปัญญาเราต้องการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะงั้นถ้าเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไป่จิตเกิดกุศลให้รู้ทันเราก็จะเห็นเลยเออกุศลมันมีเหตุมันก็เกิดนะเราสั่งให้กุศลเกิดไม่ได้ หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันมีเหตุนะมันเกิดอกุศลขึ้นอกุศลเราก็ห้ามไม่ได้นะเั้นใจจะดีหรือใจจะเลวใจจะสุขหรือใจจะทุกข์เราเลือกไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูลงไปบางคนก็เห็นนะว่าเราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้อันนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาของจิตนะเห็นอนัตตาของเวทนาเห็นอนัตตาของสังขารเห็นอนัตตาของจิตบางคนเห็นว่ามันไม่คงที่ สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังนะถ้าเห็นละเอียดลงไปอีกบางคนก็เห็นว่าสุขนั้นทนอยู่ได้ไม่นานทุกข์นั้นทนอยู่ไม่ได้นะกุศลอกุศลก็ทนอยู่ไม่ได้นะอันนี้เราเห็นทุกขังเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราทํางานได้เองมันบังคับไม่ได้อันี้เรียกเห็นอนัตตาเห็นว่ามันมีแล้วก็หายไปมันหายไปแล้วก็กลับมีอันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจัง เห็นนั่นใดก็ได้นะในไตร ล, ลักษณ์เนี่ยมไม่ต้องว่าจะต้องเห็นอนัตตาอย่างเดียวนะดูเทเห็นอนัตตาแล้วดูเทดีเห็นอนิจจังดูกระจกไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นมันเห็นตามจริตนิสัยนะถ้าพวกเราเป็นพวกศรัทธามากเนี่ยเวลาบารรลุพระอราหารนะันต์นะจิตมันบรรลุเพราะเห็นอนิจจังนะเราไม่ใช่พระอราหันต์ที่เห็นอนิจจังไม่เก่งนะเก่งๆก็มีนะ ทำไมต้องเห็นอนิจจังพวกที่เห็นอนิจจังพวกศรัทธามากเนี่ยมาตรฐานสูงสังเกตไหมถ้าเราศรัทธาอะไรมากนะสังเกตดูคนที่เขาศรัทธามากมาตรฐานมากเกิดอะไรนิดเดียวก็เลิกศรัทธาลนะเราะงั้นเวลาที่เขามาดูจิตดูใจของเขาเองนะเขาเห็นว่าจิตมันเป็นของดีของวิเศษนะพ า, ะานาไปแล้วจนถึงจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงในภูมิของพระอนาคามีเนะี่ยจิตมีแต่ความสุขล้นๆ้นเลย เป็นของดีของพิเศษวันนึงเห็นน่ะจิตมันมองๆได้แค่เห็นจิตมองๆล้วเสียมาตรฐานแล้วมันต้องเปอร์เฟกนะพวกศรัทธาเนี่ยพวกเปอร์เฟกต์แมนนะพอมันไม่เปอร์เฟกตนิดเดียวทนไม่ได้ไม่เอาละของไม่ดีแค่นี้จริงละที่ง่ายๆเลยนะงั้นใครมีแฟนอย่าเลือกพวกศรัทธามากนะมันจริงอาง่ายๆนะมันเห็นเราประพฤติไม่ดีนิดเดียวนอนกลนมันไม่เอาลนะหมดศรัทธานะ พวกที่ส่งสมาธิมากมันจะหลุดพ้นพระเห็นทุกข์อย่างพระนาคามีบางท่านสมาธิเยอะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะั้นเด่นดวงอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนเลยมีความสุขมหาศาลอยู่นะไม่ได้อยากไม่ได้ยึดเลยอยู่โล่งสบายอยู่ๆเนี่ยจิตพลิกตัวนะไหวตัวบักจากตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลายเป็นตัวบรมทุกข์โคตรโคตเนะี่ยทุกข์โคตรโคตเลยนะ เนี่ยจิตถึงจะยอมวางไม่เอาเป็นที่พึ่งแล้วเพราะว่ามันมีแต่ทุกข์มันไม่ใช่สุขอย่างที่คิดนะงั้นจะต้องพวกที่ทรงสมาธิมากๆเนี่ยจะหลุดพ้นเพราะเห็นทุกข์พวกปัญญามากเนี่ยเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ไม่เอาละแค่นี้ก็ยอมคืนละพวกนี้คืนเอาง่ายๆนะเราเลือกไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ไป รู้ได้จิตที่ตั้งมั่นไว้ก่อนจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ในเบื้องต้นเราต้องฝึกให้จิตเป็นผู้ตั้งมั่นเป็นคนดนะูต่อไปต้องตั้งมั่นและเป็นกลางเพิ่มเป็นกลางขึ้นตั้งมั่นทีแรกบางทีไม่เป็นกลางนะอย่างตาหูจมูกลิน้นกายใจกระทบอารมณ์นะโทสะเกิดเนี่ยไม่เป็นกลางอยากให้โทสะหายเนะี่ยเพราะเราต้องรู้ทันโอปปิต้องเป็นกลางราคะเกิดขึ้นมานะใจไม่ชอบในะใจเกลียด ที่แรกรู้ว่ามีราคะเบื้องต้นนะหัดภาวนาใหม่ๆตามองเห็นผู้หญิงสว ย, สวยจิตเกิดราคะรู้ว่ามีราคะหลวงพ่อชมว่าเก่งแล้วเพราะคนทั่วไปพอตาเห็นผู้หญิงสวยมันก็สวยเลยนะเดินตามไปดูเขาไปจีบเขาไปหลอกเขานักปฏิบัตินะพอตามองเห็นผู้หญิงสวยจิตเกิดราคะรู้ว่ามีราคาอันนี้ถือว่าเก่งขึ้นมาแล้วต่อไปเห็นอีกนะพอมีราคาแล้วจิตยินดีในราคาก็ามีนะคล้อยตาม จิตเกลียดราคาก็มีนะอยากให้ราคาหายไปเนื้อรู้ลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งถ้ามีกําลังพอนะมันจะรู้ลงไปอีกชั้นหนึ่งงั้นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นแต่จิตของเราเมื่อตั้งมั่นทีแรกยังไม่เป็นกลางหรอกนะจิตยังยินดียังยินร้ายต่อสภาวะทั้งหลายอยู่เช่นความสุขเกิดขึ้นมันแอบยินดีความทุกข์เกิดขึ้นมันแอบยินร้าย อกุศลเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับพวกเรานักปฏิบัติเป็นคนดีอกุศลเกิดขึ้นเรายินร้ายอกุศลเกิดขึ้นเรายินดีเ <ME> มื่อความยินดียินร้ายมีอยู่เนี่ยความดิ้นรนของจิตจะเกิดขึ้นจิตจะดิ้นรนปรุงแต่งไปยินดีก็อยากได้มายินร้ายก็อยากผลักออกไปตันหามันก็เกิดเมื่อตันหาเกิดนะจิตจะดิ้นรนทํางานจิตจะปรุงแต่งสร้างพบสร้างชาติสร้างตัวตนสร้างทุกข์ขึ้นมาเ น, นี่เราค่อยๆฝึกไป ถ้าเรารู้เท่าทันจนถึงจิตที่ยินดียินร้ายมีสติรู้ทันนะความยินดียินร้ายดับนียมันจะไม่ปรุงต่อไปเป็นความอยากนะจะขาดตอนไปไม่ปรุงตันหาขึ้นมาถ้าจิตไม่มีตันหานะจิตก็ไม่ดิ้นรนมากไม่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนะฉะนั้นพวกเราค่อยๆฝึกไปขั้นแรกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเกิดสุข ก, ก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดกุศลก็รู้โลบโกรธห ล, ลงเกิดขึ้นก็รู้ มาพอรู้แล้วนะเห็นเลยถ้าเกิดสุขเกิดดีก็ชอบยินดีพอใจเกิดทุกข์เกิดชั่วก็เกลียดมันนะไม่พอใจให้รู้ทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบใจที่ยินดียินไร้ายเนี่ยอีกชั้นหนึ่งรู้เข้าไปถ้ารู้ได้ตรงนี้จิตจะไม่ไม่ดิ้นต่อละจิตจะหยุดอยู่แค่นั้นจิตจะเป็นกลางหลวงพ่อถึงสอนบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง แต่กลางตรงนี้ยังกลางด้วยสติอยู่ด้วยการมีสติรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางมันยังมีกลางอีกสองชนิดกลางชนิดที่หนึ่งกลางด้วยสมาธิยังมีราคาขึ้นมานะก็ทําให้ราคาหายไปการพิจารณาปฏิกูณาสุภาจิตก็เป็นกลางขึ้นมาแต่ว่ากลางอย่างนี้กลางด้วยสมาธิยังมีกลางสุดยอดของความเป็นกลางกลางด้วยปัญญา กลางด้วยปัญญานี่อาศัยการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยสติมันไม่เป็นกลางรู้ทันมีสติรู้ทันนะความไม่เป็นกลางความยีดีร้านจะดับเองอันนี้เป็นกลางด้วยสติแล้วก็มีสติรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจของเราต่อไปความสุขเกิดก็รู้ความทุกข์เกิดก็รู้กุศลเกิดก็รู้ว่ะกุศลเกิดก็รู้รู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกไปถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิด มันรู้เลยว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลเป็นของชั่วคราวอากุศลก็เป็นของชั่วคราวถ้าวันใดจิตมันเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างนี้นะมันจะเป็นกลางเพราะปัญญาก็ในเมื่อความสุขเป็นของชั่วคราวเราจะดิ้นรนหาความสุขทําไมความดิ้นรนหาความสุขจะไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นกลางต่อความสุขใจไม่ฟูขึ้นมาเพราะความสุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมันร bon. ู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราว ใจจะไม่แฟบลงเพราะความทุกขนะ์เวลากุศลเกิดนะเรารู้ว่ากุศลเป็นของชั่วคราวใจก็ไม่ฟูเพราะกุศลนะเวลาอกุศลเกิดนะรู้ว่าอกุศลเป็นของชั่วคราวใจก็ไม่แฟบนะถ้าฟูไ้ก็ตามกิเลสไปถ้าแฟบอยู่นะก็บังคับตัวเองอยู่กดข่มตัวเองอยู่ใจที่ไม่ฟูใจที่ไม่แฟบนะคอยรู้เท่าทันไปเรื่อยรู้ไปรู้ไป ตรงนี้แหละมันเป็นกลางถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะใจจะเป็นกลางต่อเวทนาต่อความสุขความทุกข์เวทนาจะหลอกให้เกิดตัณหาไม่ได้เมื่อปราศจากตัณหานะอุปาทานพบชาติทุกข์ก็ไม่เกิดนะถ้าตัณหาเกิดอุปาทานพบชาติทุกข์มันก็เกิดตามมาถ้าใจเป็นกลางต่อความทุกข์นะตัณหาก็ไม่เกิดอย่างเวลามีความทุกข์เราอยากให้มันพ้นเร็วๆ ร, รู้สึกไหม เราอยากมีความอยากเกิดขึ้นอยากให้หายไปเรียกมีวิภาวะตัณหาเวลาน้ําท่วมมก็อยากให้น้ําลงเร็วๆอะไรเนี้ยยก็เรียกว่ามีวิภาวะตัณหาอยากให้น้ําลงเร็วๆมีทุกนะอถ้าใข่น้ําท่วมแล้วมัมนท่วมอยู่ไม่รู้จะทําไงนะหัดร้องเพลงเหลือมันเลยนะสบายใจนะแต่ระวังอย่าให้คนอื่นได้ยินเดี๋ยวคนนึกว่าบ้าไปแนละ้ทุกข์มากค่อยๆฝึกไปจนเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชันะ่วคราลดูจากของจริงนะ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้วลวันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่ า, ล า, ล า, ลาดูไปเรื่อยเลยดูของจริงที่เกิดขึ้นในใจเราทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตมันก็เปลี่ยนเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยเฉยบ้างทุกคราวที่ตาหูจมูกลินล้นกายใจกระทบอารมณ์นะก็เป็นกุศลขึ้นมาบ้างเป็นอกุศลบ้างแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายตัวไปถ้าเห็นอย่างนี้ได้ใจจะเป็นกลางเพราะปัญญากลางเพราะปัญญาเนี่ย เป็นประตูแห่งการบรรลุมรรคผลปัญญาที่เกิดจากการปัญญาที่ทําให้จิตเป็นกลางกับสังขารกับความปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกนี่แหละเรียกว่าสังขารู้เปกขายานนะถ้าเราภาวนามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าบารมีเราพอนะศีล ส, สมาธิปัญญาของเราอบรมมาแก่กล้าพอจิตจะรวมเข้าภปวนาสมาธิเองรวมเองนะ ไม่ใช่ต้องไปนั่งสมาธิก่อนแล้วมาดูกายเราทําความสงบนิดๆหน่นนอยๆพอให้ใจแช่มชื่นไปทาสวดมนนั่งสมาธิเดินจงกรมสงบก็ทําให้สงบก็ทําไม่เป็นไรขอให้ทําจิตจะได้มีแรงแล้วเรามาเจริญปัญญานะเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตจริงๆให้มากตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดกุศลก็รู้เกิดอกุศลก็ ร, ก ร, กรู้ยินดีในสุข นะหรือยินร้ายในทุกยินดีในกุศลยินร้ายในอกุศลก็รู้อีกนะรู้ลงไปเรื่อยเรืสุดท้ายปัญญาเกิดทุกอย่างเท่าเทียมกันนะคือทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางหมดความดินม้นเมื่อจิตหมดความดิน้นถ้าศีลสมาธิปัญญาแก่รอบพรอจิตจะเข้าฌานเข้าอัปปนาสมาธิเองนะเข้าเองไม่ได้เจตนาจะเข้าเลยทําไมสมัยพุทธกาลนั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศ หนั่งฟังเทศอยู่เหมือนที่พวกเราฟังเทศอยู่ตอนนี้แหละฟังเทศอยู่ทําไมบรรลุพระอรหันต์ก็มีบรรลุพระโสดาก็มีนะบรรลุได้เพราะอะไรนะตรงนั้นจิตท่านเข้าอัปปนานะไม่ได้เจตนาจะาเข้านะแต่ว่ามันพอแล้วนะสีนสมาธิปัญญาแก่รอบพอแล้วจิตเข้าอัปปนาเองเลยแล้วตัดความตัดสินความรู้กันตรงนั้นเลยล้างกิเลสกันตรงนั้นเลยเหมือนอย่างพระพระสารีบุตรนะนั่งพัดพระพุทธเจ้า นั่งพัดอยู่ไปเข้าฌานพัดได้ไหมนั่งพัดเข้าฌานยังไม่ได้แถมนั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศให้ถี่คณขะฟังพระเจ้าเทศเรื่องเวทนานี่แหละถ้าเรารู้ทันเวทนานนะตัณหาก็ไม่มีจิตจะพ้นเหมือนที่หลวงพ่อเทศแต่กี้นะ่ะคล้ายๆกันพระสารีบุตรฟังนะจิตรวมเข้าอาปัญหานะตัดเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยนะปัญจวัคคีย์ก็นั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศอยู่ยังไม่ได้เข้าฌานตอนนั้นจิตเข้าปัปนานะตัดได้โสตาได้พระอรหันต์กัน ต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าขนาที่ฟังธรรมอยู่นั่นแหละเพราะนั้นไม่ใช่ว่าต้องนั่งสมาธิให้เยอะเยอะนะนั่งสมาธิพอให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงชุ่มชื่นนะแล้วเจริญสติเจริญปัญญาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปให้มากๆนี่เป็นทางเดินของพวกที่ไม่มีเวลานั่งสมาธิเยอะเยอะนะหักไปนะหักไปเวลาที่จิตจะเกิดมากเกิดผลนะั้นอาการลีลานั้น เหมือนกับพวกที่เล่นมาทางฌานเปียบเลยไม่มีอะไรต่างกันเลยวิธีของจิตที่จะตัดสินความรู้เกิดมรรคจิตผลรจิตเนี่ยแบบเดียวกันไม่มีอะไรต่างกันหรอกงั้นพวกเราก็ดูตัวเองนะดูตัวเองคนไหนมีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเหมาะกับการดูกายคนไหนมีนิสัยช่างคิตหมาะกับการดูจิต ดูตัวเองไม่ต้องดูคนอื่นะถ้าจะดูกายทําสมาธิให้เยอะหน่อยจนกระทั่งเห็นกายกับจิตเนี่ยแยกขาดออกจากกันทั้งวันเลยนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตอยู่ต่างหากแยกทั้งวันเลยนี่พวกทรงสมาธิมากนะถ้าเราเป็นพวกคิดมากทําสมาธิไม่ได้เราใช้สมาธิที่น้อยนอย้เรียกคณิกะสมาธิ เราจะรู้แล้วก็เผลอรู้แล้วก็เผลอรู้แล้วกนะ็เผลอตัวรู้เราไม่ทรงเด่นดวงอยู่เป็นวันๆเป็นเดือนๆเหมือนพวกที่เขาทรงฌานหรอกอาศัยนะ ส, สมาธิเป็นขณะขณะขณะไปนี้แหละมาเรียนรู้ความจริงไปเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงดูเข้าไปอย่างนี้หละนะถึงวันที่เขาพอเขาก็ตัดสินความรู้พ้นทุกเวลาพ้นทุกแล้วเข้าไปสู่ภาวะอันเดียวกันเหมือนกันเลยนะ พระอรหันตั้งหลายประเภทนะพระอรหันสุขวิปสัสสกะนะไม่มีริดมีเดชพระอรหันเตวิโชนะมีวิชาสามระลึกชาติได้รู้ความจุติอุบัติของสัตว์ล้านกิเลสได้พระอรหันอภิญญาหกพระอรหันปฏิสัมพิทาสี่หรือพระปัจเจ ก, กพระพุทธเจ้ า, าตัวพระพุทธเจ้ า, าเองความบริสุทธิ์นั้นเท่าเทียมกันหมดเลย น, <S <S นั้นอย่างบางทีครูบาอาจารย์ท่านถามเห็นไหมจิตกับพระพุทธเจ้ า, าเป็นอันเดียวกัน จิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่งไว้ซึ่งอะไรคุณสมบัติของพระพุทธเจ้ามีมาหาการุณาจิตของสาวกมีมาหากรุณาไหมไม่มีความกรุณาไม่เท่าพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้ามีมาหาปัญญาสาวกไม่มีจิตของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์สาวกมีเหตุนที่ว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสิ่งเดียวกันนั้นเป็นสิ่งเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์ มันลงกันได้มุมเดียวในความบริสุทธิ์นั้นแต่พอลงกันมุมเดียวนะจะรวมเป็นอันเดียวกันเลยนะจะรู้สึกเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นอันเดียวกั น, นถ้าเราใจของเราเป็นพระพุทธ่งของเราเป็นพระสงฆ์นะใจของเราทรงธรรมอยู่เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าตัวจริงนะรู้จักเลยพระพเจ้าไม่เคยหายไปไหนพระเจ้าไม่ใช่นิพพานแล้วก็สูญไปสิ่งที่แตกดับก็คือาธาตุขันธ์ของท่า น, นคุณธรรมของท่านไม่ได้หายไปไหน พลังงานก็ยังอยู่นะพลังงานก็มีนะไม่ได้หายค่อยฝึกเอานะสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นมีอีกเยอะนะแต่สิ่งที่ควรรู้ควรเห็นนั้นพระพุทธเจ้าสอนไปหมดแล้วไม่ต้องรู้ต้องเห็นอะไรมากหรอกนะแค่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเท่านี้ก็พอแล้วนะอา้าวเท่านี้ก็พอแล้ว ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะคือปฏิบัติในแนวทางหลวงพ่อมาประมาณสองปีนะคะแล้วก็ใช้คำสอนที่หลวงพ่อสอนเป็นหลักเป็นคนฟุ้งซ่านเยอะมากก็ดูได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่จะจะฟุ้งไปเยอะอะค่ะก็ยิ่งถ้าให้มานั่งสมาธิก็จะยิ่งฟุ้งไปใหญ่ก็เลยพยายามดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ก็ดูเท่าที่ทำได้อะค่ะเออนึกว่าดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ไม่ดูแล้วมันเกิด จิตเขาเกิดการามีในขณะหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจอะค่ะอยู่ดีๆเขาก็รู้สึกนิ่งๆมีความสุข hmm. ในทั้งๆ ท, ที่พบกับความทุกข์อยู่ hmm. โลกมันก็จะแบนๆมันก็จะเฉยๆจิตมันงมันเป็นกลางขึ้นมานะาโลกมันจะแบนๆค่ะแต่ว่าพอไปดูในความความสุขความสงบตรง น, นี้มันก็<ะ>ใช่ค่ะมันก็หาย ไม่ดู ม, มันก็หายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วอันนี้คือต้องต้องดูต่อตัวไหนดูต่อ ไ, ไปนะของหนูเนี่ยต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะถ้าหนูบอกว่าหนูทาสมาธิไม่ได้แล้วก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเนะี่ยมันไม่มีแรงที่จะล้างกิเลสจริงนะหากเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ไดนะ้แต่ไม่ได้อยู่เพื่อให้สงบถ้าเราคิดว่าจะนั่งสมาธิไปให้จิตสงบอะไรเนี่ยหนูกลุ้มใจตายเลย เพะหนูไม่มีเวลาทำสมาธิที่หลวพ่อใช้คำนี้สุภาพสุภาพไม่เป็นไรค่ะหนูทำไม่ได้ค่ะทำแล้วมันจะฟุ้งสั้นเยอะมากยิ่งทำยิ่งแย่เลยยิ่งทายิ่งเครียดใช่ค่ะก็จะแบบแอบๆดูแต่ว่าต้องใช้วิธีนี้นะทำไปแต่ไม่หวังว่าจะสงบทำสมาธิหายใจไปพุทโธไปทำเล่นๆทำแล้วเพื่อคอยรู้ทันจิต ต้องใช้วิธีนี้นะทำแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้จะทําให้ไม่หนีนานเวลาหลงอย่าหลงไม่ยาวไม่งั้นบางทีหนูหลงยาวใช่ค่ะแล้วตอนที่มันเกิดความสงบเนี่ยค่ะก็ดูความสงบไปหายก็รูยอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ว่ามันเหมือนเราเติมน้ํามันนะจิตใจก็อดอยากอดประคองไม่ได้ไม่เป็นไรอยากแล้วก็ไม่เจอหรอกใช่ต้องแอบแอดูมันใช่ต้องแอบแอบดู ชำเลืองชั่เืองไม่ถึงแค่แอบแบอดูแอบแบอมันตั้งใจนะแอบบแอบเราแค่ชั่เลืองชั่เลืองแล้วมันก็ไปเป็นปกติอยู่แล้วอย่างนี้ออใช่ไหมครับ ไ, ไม่ได้แอบบดูนะแอบบแอบแบอนี่มันจ้องเลยนะ <c oughs> ใช้ชำเลืองชั่เลืองเอารู้เป็นคราวคราแต่รู้บ่อยๆไปทำอีกไปแล้วที่หลวงพ่อบอกสำหรับหนูนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จิตหนีไปแล้วรู้ทันไปทำตัวนี้ <c oughs> ถ้าทำตัวนี้ได้ก็จ ะ, จะเจริญได้หรอ แม่เงนจะฟุงไปเไรื่อยๆขอบคุณแม่ค่ะครับก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกมาก็เลยไม่มีโอกาสมาส่งการบ้านประมาณเกือบสองปีครับก็หลวงพ่อช่วยสับโคกแบบไม่ต้องยั้งมือเลยนะครับโอ้ไม่ไหวหลวงพ่อแก่แล้วโคกมากเหนื่อยนะจิตเป็นกลางไหมจิตตั้งค่นไหมวันนี้จิตมันกระโดดโลดผลครับเออจิตกับกายแยกกันไหม แยกได้บ้างครับแต่ยังนนไม่ค่อยแยกไหมจิตฟุ้งซ่านไม่แยกหรอกพ <c oughs> นะยายามดูลงไปนะจับหลักที่หลวงพ่อบอกให้แม่นแม่นแล้วใจเย็นเย็นขยันดูแต่ใจเย็นเย็นคือไม่หวังผลนะถ้าเราอยากได้ผลเราจะไม่ได้ผลแต่เราต้องขยันดู <c oughs> ดูบ่อยๆจิตต้องถึงฐานจริงๆถึงจะใช้ได้ <c oughs> ให้คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไป หากรรมฐานมาสักอันหนึ่งอันนี้ทุกคนต้องทํานะจําเป็นสําหรับทุกคนเลยคือต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่พอจิตมีเครื่องอยู่แล้วเนี่ยถ้าจิตไหลไปเราคอยรู้ทันแล้วนะงั้นในสติปัฏฐานซึ่งเป็นการสอนวิธีปฏิบัติที่พระเจ้าสอนสิ่งแรกที่ท่านสอนสอนให้มีเครื่องอยู่นะกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่มีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรม นะแล้วค่อยอาตาปีการปฏิบัติเนี่ยทำไปเพื่อแผดเผากิเลสไม่ใช่ทําตามกิเลสอย่างเราปฏิบัติแล้วก็อยากได้มากได้ผลอันนี้ไม่เรียกว่าอาตาปีนี่เรียกปฏิบัติสนองกิเลสนะปฏิบัติเนี่ยต้องสู้กิเลสไม่ใช่ตามใจกิเลสนะมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวมีความมีสตินีนะแล้วก็ดูไปดูไปสุดท้ายจะถอดถอนความยินดียินร้ายออกไปได้แม้สุดท้ายจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนี่เป็นวิธี การปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องอยู่ของจิตแต่ไม่ใช่เครื่องคุมขังจิตให้มีเครื่องอยู่เช่นพุโทโธไปหายใจไปจิตหนีไปเรารู้ทันนะจิตมีบ้านอยู่จิตจะไม่หนีนานครับไปทําตัวนี้นะสมาธิมันจะได้เพิ่มขึ้นขอบคุณครับสมาธิน้อยไปอีกนิดนึงแล้วกันครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจเจริญสติเราจะเห็นความมีตัวตนได้บ่อยแต่ว่าภักหลังมันเนี่ยมัน เห็นได้แค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็มันคือบางทีแต่เดิมเนี่ยกิเลสมันปรุงขึ้นมาแรงรเราถึงจะเห็นนะมันก็เลยเด่นเดยว น, นี้แค่ไหวๆขึ้นมาก็รู้ทันก็หายไปนะไปดูต่อไปยังมีมไม่หายหมดหรอกรอีกนิดนึงได้ว่าครับอ่ะนิดที่สามว่าไปคือชื่อนิดเปล่าเนี่ยเปล่าชื่อนิดทิพธ์ครับ <laughs> คือถ้าเกิดเราทำงานแล้วแบบมันเป็นงานที่เครียดและใช้ความคิดเยอะอะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนงานไหมครับอย่าไปเชื่อกิเลสนะ <c oughs> มีความทุกข์มีอะไรเนี่ยเอาไว้ดูดีมากเลยแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเปลี่ยนงานได้ค่อยเปลี่ยนแต่ไม่ใช่หนีตลอดนะ บ, บางคนพอเปลี่ยนงานงานสบายคราวนี้เพลินเลยไม่ยอมดูเลย เวลาที่งานลำบากทุกข์มากๆอย่างขยันดนะูต้องไปดูให้แน่ๆนะเดี๋ยเปลี่ยนงานไปแล้วสบายเลย่วยๆครับอะต่อไปอะที่หนูดูอยู่ทุกเนี่ยค่ะฮะ ด, <อ>ดูดังๆเราแก่แล้วหูตึงหนูก็ปฏิบัติมาตลอดอะคะ่ะหนูเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ดูอยู่แต่ช่วงหลังนะคะ่ค่ะติดปัญหาว่ามัน เหมือนมันไปตันมันไปไม่ถูกอะค่ะือมันเหมือนมันไปมันตันนะคะเราไปดูกิเลสกิเลสตัวหนึ่งนะมันชื่อว่ากุกุจจะกิเลสตัวนี้เป็นความรําคาญใจมันไม่ดีอย่างที่อยากดีนะให้รู้ทันเลยกิเลสตัวนี้แหละเป็นนิวรนเป็นนิวรนตัวหนึ่งนะมันกวางทําให้ใจเราไม่สงบไม่ตั้งมั่นดูไปสังเกตตัวนี้ไป ม, มีวิธีสังเกตไหมคะให้มันง่ายจะตนะมันลาคาญใจรู้สึกไหมมันไม่ได้ดีอย่างที่ต้องการยมันลาคาญเมื่อไหร่มันจะดีกว่านี้นะทําไมมันซ้ำซากอยู่ที่เดิมน่ะฉั้นลาคาญแล้วนะเนี่ยเห็นไหมหนูไม่ยากหรอกหนูไปรู้ทันตัวนี้ไหมตัวนี้ยมันเป็นนิวร์มันกั้นหนูนะมันเลยเตินต่อไม่ได้กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ เหมือนวันนี้หลวงพ่อเทศให้หนูฟังตอบคำถามไปเยอะค่ ะ, mm hmm. ะความจริงอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าในเรื่องของความเป็นกลางขอ ง, ของความรู้สึกที่เราไปรู้สึกเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอารมณ์กโกรธแรงโลภะแรงเนี้ยก็จะพอพอจะ mm hmm. มีสติระลึกรู้ได้นะคะ mm hmm. และช่วงหลังๆก็ถ้าเกิดว่าอารมณ์ไม่รุนแรงมากก็ยังพอระลึกรู้ได้ mm hmm. แต่จะมีสภาวะที่ว่าเป็นกลางๆอย่างเช่นมองแล้วเห็นว่ามีอะไรปรากฏขึ้นที่ตาแวบหนึ่งนะคะ<ม>แล้วก็มีความสงสัยว่ามันคืออะไรก็รู้ที่สงสัย<ม>ไปอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขับรถไปเนี่ยแตะเบรกก็รู้สึกว่าอาการของการแตะเบรกลงไปเนี่ยเป็นยังไง<ม>แต่ว่าไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันคือเป็นสติที่ไประลึกรู้ หรือเปล่าหรือว่ า, ถ, าถ้าสติระลึกรู้เองนะใจก็ปล่งโล่งเบานะถ้าจงใจกําหนดลงไปก็จะแน่นนะหนูดูไปเรื่อยเราไม่ใช่ดูเพื่อจะรู้ว่ากําลังเหยียบเบรกเท้ากําลังแตะเบรกละไม่ได้ดูต้องการต่างหรอกเราต้องการรู้สึกรู้ไปทั้งตัวเลยเห็นร่างกายมันขับรถเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันขยับมือขยับเท้านะใจเป็นคนดูระวังอันเดียวห้ามจิตรวมเวลานั่งขับรถนะ อยาให้จิตรวมไปนะค่ะอย่างเช่นท่านนั่งเนี้ยก็เห็นว่าเป็นรู้สึกไปทั้งตัวเลยรู้สึกไปทั้งตัวแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าแยกขันหรือหรือว่ารู้สึกว่าเป็นไตรลักษณ์อะไรต้องระวังไม่ให้จิตซึมด้วยค่ะถ้าจิตมันซึมๆนะมันไม่แยกซึมไหมขนาดเนี้ยตอนนี้ไม่ค่อยซึมค่ะนะแต่ซึมอะคะแสดงว่ากดไว้อยู่อะคะเออกดเยอะนะ จิตไม่เป็นธรรมชาติเหนื่อยไห ม, มแล้วสังเกตไหมถ้าไม่กดไว้มันจะฟุง้งซ่านใช่ค่ะให้เรารู้ทันนะมันฟุง้งซ่านรู้ทันนะเราไปกดอยู่เรารู้ทันนะรู้เล่ น, ลนไปเรื่อยดูจนกระทั่งเราวันหนึ่งเราเห็นไม่มีตัวเราตรงไหนเลยนะที่เราไปกดมันก็ไม่ใช่ตัวเรานะอของถูกกดมันก็ไม่ใช่ตัวเรานะค่อยรู้ค่อยดูไปเรื่อยคือแล้วแวบหนึ่งที่รู้สึก ธรรมชาติของความที่มันไม่ได้รู้สึกอะไรรุนแรงงี้นะคะคือเราก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอ่ะปกติเรากระทบอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่รุนแรงนะอย่างเวลาเราขับรถไปใช่เราเห็นคนอยู่ริมถนนเยอะแยะเลยใช่ไเราไม่ได้รักเราไม่ได้โกรธเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะมันเฉยๆอยู่แล้วเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเป็นกลางในบางทีเป็นกลางเพราะอารมณ์นะั้นไม่มีความหมายมนี่อันหนึ่งนะ อีกอันหนึ่งสติเราเร็วมากเลยมันเริ่มจะปรุงกิเลสขึ้นมานะเรารู้ทันแล้วมันดับไปแล้วมันเลยเฉยเฉยไปยิ่งภาวนาแล้วมันก็เฉยมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าสติมันเร็วขึ้นอย่างนี้มันรู้ทันกิเลสเร็วขึ้นอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ถ้ายิ่งภาวนาไปนะเราก็ชํานาญในการคอยดูเฝ้าดูจิตอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เคยคลาดสายตาเลยการที่เฝ้าดูทําให้เฉยอันนี้เฉยเพราะการเพ่งนะงั้นเฉยเนี่ยสารพัดเฉยเลยนะไม่ใช่จ่าเฉยมีอันเดียวนะ มีหลายแบบะเฉยเพราะถูกก็มีเฉยเพราะผิดก็มีเฉยเพราะผิดเช่นน้อมจิตไปว่างๆเห็นอะไรก็เฉยหมดเลยเฉยเพราะไปเพ่งจิตให้นิ่งก็เฉยนะคอยจ้องรอดูว่าเมื่อไหรจะมีอะไรเกิดขึ้นในจิตแค่นี้ก็เฉยอีกอัาหนึงมีปัญญาเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปรู้ความจริงแล้วไม่เห็นมีสาระเลยจิตก็เฉยแต่เฉยมีความสุขนะอันเนี้ยถ้าเฉยเครียดๆแต่ก็ เฉยไม่ถูกหรอกเฉยเครียดหรือเฉยสบายสบายค่ะสบายยังมีอีกสองสบายสบายพอดีกับสบายเออเออระหว่างนะเห็นไหมแง่มุมที่หลอกเรานี่นะเต็ไมไปหมดเลยงั้นคงจะไปรู้ที่ว่าไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยรู้ว่าสงสัยง่ายกว่าห น, นูเรียนตรงนั้นให้เยอะไว้ค่ะ อ, อ, อีกคําถามเลยค่ะไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรที่จะแนะนําให้ว่าปฏิบัติพัฒนาเพิ่มขึ้นไหมคะ คือจิตต้องถึงฐานจริงๆนะบางทีเราภาวนาเราดูจิตดูใจไปแล้วใจโล่งใจว่างนะมันว่างๆสบายโล่งๆออกไปอย่างเงี้ยมันไม่ย้อนมาดูกายดูใจนะมันจะขี้เกียจ ด, ดูกายดูใจถ้าอย่างนั้นไม่ถูกละพยายามดูกายดูใจบ่อยๆนมัสการหลวงพ่อครับเหมือนมีใครมาดูอกองที่หน้าอกฮะ <laughs> เหมือนมีใครมาดูอกองที่หน้าอกตเต้น<ๆ>ก็าดา ครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านไว้ว่าให้ไปดูไปส่วนกว่า้าถันมันจะแยกเราไม่เห็นว่ามีเราก็ดู ด, ดูดูไปมันก็ยังมีเราเป็นตัวรู้อยู่ไม่เป็นไรแต่ว่ากายกับใจแยกกันไหมเป็นช่วงๆครับได้ถูกต้องถ้าแยกทั้งวันก็เก่งเกินไปหน่อย <c oughs> แยกเป็นช่วงๆนะ่ะดีแล้วแต่บ่อยๆหน่อยก็แล้วกั น, นถ้าจงใจไม่แยกนะใชงแม้พอเรารู้สึกตัวธรมธรมดาธรรมดามันแยกเลย มันเคยแยกแล้วต่อไปนี้พอรู้สึกตัวมันก็แยกแลนะพอแยกแล้วก็ดูมันทำงานไปร่างกายไม่ใช่เราหรอกแต่จิตยังเป็นเราอยูนะ่เพราะการที่สำคัญมั่นหมายว่าจิตเป็นเราเนี่ยมันเหนียวแน่นมากกว่าการสำคัญมั่นหมายว่าร่างกายเป็นตัวเราพระจาเคยสอนบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับนะคือคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยยังสามารถเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะมีในคาสอนท่านนี่แหละที่เห็นจิตไม่ใช่เราได้ เพั้ตอนนี้เรายังมีจิตเป็นเราก็รู้ว่ายังเป็นเราอยู่ไม่ต้องไปแกล้งทําให้มันไม่เป็นเรานะทําไมมันยังเป็นเราอยู่ถ้าจิตกับความคิดยังแยกออกจากกันไม่ขาดนะความปรุงแต่งสังขารเนี่ยกับจิตยังแยกกันไม่ขาดสัญญายังเข้าไปหมยอยู่นะถ้าแยกแยกนํามาทําได้ออกไปแยกได้หมดนะตัวเราไม่มี ล, ละตอนนี้แยกกายกับใจกายกับใจพอแยกออกจากกันปุ๊บกายกับจิตยแยกกันปุ๊บเนะีกายไม่ใช่เราแนละ้ว แต่นามาทําเนี่ยไปรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่มันรวมเป็นกล่าวๆเห็นไหมช่วงที่มันมีเราอ่ะสังเกตไหมช่วงที่เข้าไปรวมครับเป็นเป็นช่วงที่ขาดสติมันเจอเราขึ้นมาในลาขาดสติมันไปรวมนะแสดงว่ายังไม่ใช่พระอรหันต์หรอกถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องรักษาสติมันก็ไม่รวมนะออก็แค่นี้แหละครับแค่นี้ขออันนี้ส่งอะไรที่ได้จากการปฏิบัติขอ นอเป็นภูธบูชาอาจริยบูชาเดี๋ยวลงพ่อประมทครับสาธุชอบมากเลยลูกศิษย์ภาวนาให้เนี่ยนมาศการ่ะหลวงพ่ อ, อ, อมีประสบการณ์สองอย่างนะคะอย่างแรกก็คือนั่งสมาธิวันนั้นบังเอิญ น, นั่งเลยเวลาแล้วงีบไปนิดนึงฮะงีบไปหรอกเหรอพุ่งก่อนแล้วค่อยงีบฮะเสร็จแล้วก็พอ พอรู้สึกตัวนะคะรู้สึกว่ามันโล่งนิ่งไปหมดเลยอนะคะแล้วก็อืว่าจะทําอะไรต่ออ๋อไดก็ได้ไม่ต้องตกใจนิ่งกันิ่งนิ่งกันิ่งน่งกันิ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่นิ่งแล้วเดี๋ยวก็ไม่นิ่งก็แค่นั้นเองก็คืนนั้นก็ได้แค่นั้นนะคะนะไม่เป็นไระนิ่งก็ไม่เที่ยงหรอกแล้วก็อีกคืนหนึ่ง อันนี้นั่งแค่สิบนาทีนะคะอืมันฟุ้งมากนะคะฟุ้งสั้นมากคิดได้คุณมาได้คุณก็ไปได้เออใช่เสร็จแล้วไม่เป็นอนัตตาเนี่ยห้ามไม่ได้มันคับไม่ได้เออใช่เอออย่างนั้นก็ก็เลยฟุ้งต่อไปไม่เป็นไรไม่ใช่ค่ะก็พยายามรวบรวมแล้วก็นึกถึงคําสอนของพระอาจารย์นะคะว่า อมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้คิดเองรึเปล่าคะคิดเอาโอ้แต่ไม่เป็นไรเบื้องต้นต้องคิดก่อนถูกแล้วเสร็จแล้วพอพอเวลาเราไปเจออะไรที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องคิดแล้วรู้ว่าเออจริงๆจริงๆจริงๆใช่ใช่ค่ะนะดูไปเจอเห็นจริงๆริงนะว่าทุกอย่างเนี่ยบังคับไม่ได้หรอกไม่ต้องคิดเลยเออมันมาก็มามันไปก็ไปนะอฝึกอย่างเนี้เยอะเยอะแล้วอโยมอยาก ขอพระอาจารย์แนะนำนะในการที่จะปฏิบัติต่อไปจะปฏิบัติให้เก่งกว่านี้นะรู้สึกตัวบ่อยๆเวลาใจแอบไปคิดให้รู้ทันแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆใจหนีไปคิดคอยรู้ทันฝึกตัวนี้ให้เยอะเลยะนะส่วนการเห็นไตรลักษนณะ์นั้นเป็นขั้นเจริญปัญญาอ่ า, านะตอนนี้ข้ามขั้นไปนิดนึงเหรอคะโอเวลาจิตหนีไปคิดคอยรู้ทันไปฝึกตัวนี้ก่อนนะ แล้วไอ้ของที่ทําแล้วเจริญปัญญาไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมามาง่ายเลยเพราะว่าจิตเรามีคุณภาพขอถามนอกอธิการนี้หนึ่งการทํามาหากินนี่มันมันเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติธรรมไหมคะทําอะไรนะถ้าไม่มีผิดศีล น, นะไม่ผิดศีลแต่มันมันอยากได้เยอะๆนั่นมันโลภ <laughs> โลภไม่ใช่ปฏิบัติธรรมต้องเอาพอดีๆนะคะ <laughs> มีหน้าที่ทํามาหากินก็ทําไป <c oughs> นะอย่างบางคนมีหน้าที่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปจนะอบอกลูกเป็นอนัตตาแล้วไปป <c> ล <oughs> ่อยตามถังขยะอะไรงี้ยไม่ได้นะทําหน้าที่ไปค่ <c oughs> นะแต่ว่าอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมเท่านั้นแหละ <c oughs> ตอนนี้ก็ศีลห้าคิดว่าแม่นล่าอือดีนะต้องระวังข้อหนึ่งในศีลห้าอย่าช่างคุยนะ <c oughs> ตูดลั่วอาจารย์ <c oughs> ือตูดลั่ว เจอคนคุยเรื่องธรรมะน่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละที่หลวงพ่อจะบอกคือเรื่องนี้แหละคือโฆษณาว่าต้องไปฟังพระอาจารย์นะอย่างงู้นอย่างนี้อย่าโฆษณานะเอ้าก็อยากให้เขารู้อ่ะของเราพ่อนะให้เยอะๆก่อนอ้าวต่อไปน้ำมัศการค่ะกับนมัสการอาจารย์ค่ะก็เออฟังซีดีของอาจารย์มา สองปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนตามความเข้าใจของตัวเองมาประมาณสองปีก็ส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะผลการเปปฏิบัตินี่ก็คือว่าได้ทำเจริญสติสมาธิที่บ้านตามรูปแบบแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะทำแล้วก็สังเกตตัวเองว่ามีฉันทะในการอยากจะทามากขึ้นเรื่อยๆยค่ะลแล้วก็ ผลการปฏิบัติก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองรู้ทันกิเลสได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็สามารถวางความความทุกข์หรือว่าสิ่งที่เข้ามาที่เป็นกิเลสตัณหาได้ค่อนข้างเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ในบางครั้งก็ถ้ามีสตินี่จะมีมาค่อนข้างบ่อยขึ้นในปกตินี่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านก็จะมีเยอะแต่ว่าตอนที่มาทำงานก็ หายไปเลยแต่ตอนนี้คือเวลาทั้งวันที่ต้องคิดนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยไปเจาะงานนอกจากเวลานั้นแล้วกับเวลานอนนะเวลาทาปัดเวลาทำงานกับเวลานอนออกที่เหลือนะสติสมาธิปัญญารู้กายตัวเองรู้ใจตัวเองแค่นั้นแหละไปทำต่อเพิ่มเพิ่มความตั้งมั่นของจิตนิดนึงนะทำในรูปแบบแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไป สมาธิมันจะเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วที่ทําก็ถูกแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เขาค้างตัวเองถูกนะสมาธิน้อยไปนิดนึงค่ะขอบพระคุณค่ะมันฟุ้งเก่งอ <Okay. S 2> อยากคุยธรรมะเยอะนะคนเนี้ยคุยธรรมะเดี๋ยวเสียศีลกราบนมัสศการค่ะส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อสองเดือนก่อนหลวงพ่อบอกว่าที่ทําอยู่ดีแล้วแต่ว่าขาดสมาธิให้ไปเพิ่มรูปแบบแล้วก็ ให้ระวังประคองแล้วก็ไปดูกูเก่งค่ะก็ตอนหลวงพ่อชมก็ดีใจแต่กลับบ้านแล้วก็เอ๊ะงงว่าทำไมดีก็เลยไปพิจารณาคิดว่าเป็นเพราะว่ายอมรับสิ่งที่ไม่ดีได้ค่ะแล้วก็ไปเพิ่มรูปแบบพยายามสวดมนต์เช้าเย็นค่ะก็มีวันหนึ่งทําท่าจะขี้เกียจรูปหลวงพ่อที่ที่ใส่ซองพลาสติกติดไว้บนฝาผนางังตรงหัวเตียงก็หล่นลงมาในที่นอนเจ้าค่ะ รูปรูปหล่นในขณะที่ซองพลาสติกยังอยู่ติดแน่ น, นลเลยนะค่ะสามีอยู่ข้างๆสามีก็บอกว่าดีนะที่ไม่เอารูปห <c oughs> ลวงพ่อใส่กรอบอันนี้ก็ก็คิดว่าพอสวดมนต์ก็คิดว่าจิตตั้งมั่นดีขึ้น <c oughs> ก็รู้สึกว่าวางอะไรง่ายขึ้นแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเดียรู้สึกว่า เหมือนรู้แบบเบลอๆแล้วก็เหมือนลอยๆแต่ ก, ก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่เป็นกลางไม่พอใจพอรู้ทันก็โอเคอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำผิดหรือเปล่าะะอะไรเบ<ร>ลออย่าไปบังคับมันน ะ, ะถ้าดูจิตไม่รู้เรื่องก็ดูกายไปนะดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายไม่รู้เรื่องทาสมถะเลยนะมันมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัติค่ะ ค่ะก็สวดมนต์ตอนนี้ก็คือดูแยกขันแล้วก็ดูอนิจจังความสุขระหว่างสวดมนต์ทั้งลืมตาหลับตา่ะไม่ตองรีบร้อนนะไม่ต้องรีบร้อนมากค่อยๆทำอย่างสวดมนต์ไปหวังว่าขันจะแยกเนี้ยเหนยตายเลยค่ะให้มันแยกเองมันเคยแยกแล้วต่อไปมันแยกง่ายควรควรเพิ่มเติมหรือระวังอะไรไหมคะหลวงพอระวังประคองค่ะประคองนี้จะเป็นได้ตลอดสายเลยไหมคะตลอดสายค่ะ แต่ว่ายิ่งประคองยิ่งเนียนค่ะอย่างบ้านนาคามีนะประคองจิตอยู่นะเนียนมากเลยคค่่ะะก็แสดงรักษาอยู่ค่ะค่ะรู้สึกว่าบางทีเนียนจนดูไม่ไม่ออกอะค่ะหลวงพ่อแล้วทํายังไงดีคะก็ไม่ยอมรับไปรู้ว่ากำลังงงอยู่อ๋อค่ะค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณค่ะกลาบนับปการค่ะ รู้สึกว่าจิตมีกําลังแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นค่ะถูกไหมคะอืมแล้วงไงล่ะแล้วก็วตอนปฏิบัติเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันมีความสบายแต่ว่าในใจเนี่ยมันมันเต้นมันมีความรู้สึกว่าไม่สบายแล้วก็รู้ร่างกาย อ, อยู่เนี่ยค่ะมัน ม, มันยังไม่ปกติรกธรรมดามคยายดบรนะร่างกายมีแต่ทุกข์นะ จิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตใจก็สบา ย, ยเอาไวา้ตอนนาทีสุดท้ายจะข้ามพบข้ามชาติ น, นี้เห็นน่าจิตเป็นตัวทุกข์ตอนนี้ยังไม่เห็นนั่นจิตสบายไปก่อนถูกแล้วเอาเจ้าค่ะแล้วตอนทมสมาธิเนี่ยค่ะพอนั่งครั้งแรกความรู้สึกมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบความรู้สึกปัจจุบันนี้แล้วมันก็จะนิ่มมานิดนึงแล้วก็มาอธิบายไม่ถูกเจ้ค่ะเบื้องต้นมันก็จงใจไว้หน่อยนึง แล้วก็รู้ทันแล้วค่อยคลายออกแล้วรู้ไปสบายสบายขอข้อปฏิบัติเพิ่มค่ะไม่ทำอีกสิทาถูกแล้วขันก็แยกแล้วจ้ะค่ะกับนำ้ำมการหลวงพ่อคะ่ะประสงค์การบ้านครั้งที่สองนะคะก็คือหลังจากที่หลวงพ่อให้ไปดูแบบทํารูปแบบอย่างต่อเนื่องนะคะบางทีมันช่วงหลังๆเนี้ยก็จะได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเห็นแต่ตัวที่เป็น ผัสสะเข้ามาเยอะมากค่ะคือความเครียดความที่ว่าเจอคนพูดเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ความไม่ใช่ผัสสะนะความเครียดเป็นผลจากการที่เรากระทบอารมณ์แล้วเป็นโทสะแล้วความเครียดก็คือมันจะเห็นตรงนี้เยอะมากครับความที่ไม่ชอบว่าให้รู้ทันตรงนี้แหละแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงช่วยมันคิดพิจารณาเลยวันนี้จิตเขากาลังสอนเรื่องหน้าตาอยู่นะเขากาลังเครียดอยู่ แต่บางทีแบบว่าดูไม่ไหวแล้วจริงก็จะดูกายไปเลยค่ะเดินเดินไปก็แบบอถ้าเรารู้สึกว่าแต่อย่างนั้นหนีไปทําสมถะไม่ควรหนีบ่อยใช่ไหมคะก็ออย่างนี้บ่อยเดี๋ยวเคยชินนะไหนไหนมันเครียดแล้วนะก็ค่อยๆอบรมจิตไปเออเห็นไหมจิตมันเครียดได้เองเราไม่ได้เจตนาจะเครียดเลยสั่งให้หายเครียดก็ไม่ได้สอนมันไปเป็นไตรลักษณ์เลยก็จะเห็นอย่างนี้บ่อยมากค่ะช่วงนี้เพราะว่าแต่ถ้าหนีเนี่ไม่ดี หนีไม่ดีใช่ไหมคะหนีเนี่ยให้หนีเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อจําเป็นจริงๆนะจะไม่หนีตลอดถ้าหนีตลอดแล้วจะออนแอเหมือนตอนนี้มันก็ยังมีบางยังบางครั้งก็ประคองอยู่ยังเพ่งอยู่อะคะ่ะตรงนี้คือขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อว่าหนูควรจะดูตรงไหนต่ออีกดูจิตต่อไปดูจิตต่อไป <c oughs> ะะตรงนี้เออขออนุญาตหลวงพ่อด้วยคะ่ะพอดีว่าอตอนนี้คือทํา พยูออนไลน์อะค่ะแล้วก็ใช้อขอเสียงธรรมหลวงพ่อไปไ<ม>ลงในทีวีน่ ข, ขออนุญาตเผยแพร่ธรรมะหลวง <ทำ S 1> พ่อ <ทำ S 1> นะคะน้ำมาการะคะ่ะน้ำมาการหลวงพ่อค่ะคือหนูมาครั้งแรกแล้วก็คือไม่เคยไม่เคยเรียนรู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงแต่ว่าเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจิตใจของเราอะ่ะ จะรู้สึกเบื่อโลก hmm. เบื่อครอบครัว hmm. แล้วก็อยากจะเหมือนกับอยากจะมาอยู่ในส่วนที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ hmm. คือคือฟังฟังเทศหรือว่าหรือว่าปลดปล่อยตัวเองให้มันให้มันพ้นพ้น hmm. พ้นทุกข์แล้วแต่ว่าระหว่างเวลาละเวลาเนี้ยก็คือว่าเหมือนบางครั้งเราก็ทำกับตัวเองอะ่ะไม่ได้เพราะว่า คนที่เราอยู่ด้วยอ่ะคือเขาจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราแย่มากมันทําให้เราจะต้องเดินทางออกนอกบ้านพอเดินทางออกนอกบ้านก็คือไปไปตามวัดอแล้วก็เหมือนวันนี้ตั้งใจมาเพราะว่าที่ไปตามวัดนั้นคือไปนั่งเฉยๆแล้วก็ถึงเวลาก็นอนถึงเวลาขึ้นมาคุณก็คุณก็นั่งคุณไปเฉยๆโดยที่เราก็ไม่ไม่มีไม่มีใครบอกว่าต้องนั่งยังไงต่อไปนี้เอาอย่างนี้นะให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆ ไปนั่งที่วัดสบายใจรู้ว่าสบายใจไปนั่งที่วัดแอบบคิดไปถึงที่บ้านเครียดขึ้นมารู้ว่าเครียดเนะนี่ยคอยรู้ทันใจของเราบ่อยๆการที่เราคอยรู้ทันใจบ่อยๆนะต่อไปเราจะอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขนะเราอยู่กับสิ่งซึ่งไม่รักไม่พอใจนะอยู่ได้อย่างสบายเลยทำไมเราอยู่ไม่ได้อย่างคนพูดไม่ดีหรือแสดงท่าไม่ดีให้เราเห็นเนะี่ยจริงๆมันไม่ได้มากระทบอะไรเรายกใว้มาเตเรานะ ทำแค่พูดไม่ดีหรือทำท่าทางไม่ดีความประพฤติไม่ดีจึงมไม่ได้มากระทบอะไรเรามันมากระทบใจใจเราไม่ชอบให้เรารู้ทันใจบ่อยๆนะต่อไปเราจะเห็นเลยว่าใจเราทีนี่อะไรเป็นของกลับกรอกที่สุดเลยเดี๋ยวสูงเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะเราเข้าใจจิตใจของเราเองนะเราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ได้สิ่งที่มากระทบจะดีหรือจะไม่ดีนะใจเราเป็นกลางนะเพราะงั้นให้กันบ้านนะ เพื่อจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น่ะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะแค่นี้แหละประโยคนเดียวคอยรู้ทันความรู้สึกพอรู้ทันพอรู้ทันก็ก็คือจบรู้ทันแล้วแค่นั้นแหละก็จบเออเดี๋ยวความรู้สึกอื่นก็มานะสุดตัวนี้นะเราก็รู้ใหม่เราก็รู้ใหม่ชีวิตจะได้สบายขึ้นเพราะเราหนีออกจากบ้านไม่ได้ยังไงไม่ต้องกลับบ้านใช่ค่ะในโลกนี้เราเลือกไม่ได้บางทีนะชะเราเลือกไม่ได้ หนีไปที่วัดที่เราสู้สึกไหมอยู่ที่วัดแทๆ้ๆท่าบ้านก็ตามไปวัดอีกอล้ใช่แล้วหนีไม่ได้หรอกต้องฝึกจิตของเราต้องฝึกจิตแล้วก็กลับไปใชป่แล้วก็ไ ป, ไปวันหนึ่งจะขอบคุณเลยขอบคุณนะสอนธรรมะให้เราก็คือพอพอรู้ว่ากระทบปุ๊บเราก็วางใจเป็นกลางมันเป็นเองค่ะคอยรู้ทันความรู้สึกบ่อยๆมันจะเป็นเองอย่าไปฝืนให้เป็นกลางนะที่โมโหก ว, ว่าเก่าอีกใช่ใ่ คือพอเรารู้ว่าเราโมโหป๊อแล้วก็ให้รู้ตัวแล้วก็เราก็รู้ตัวว่าเนี่ยเอออินางคนนี้มันกําลังโมโหอยู่ดูอย่างนี้นะไม่ใช่ชั้นกําลังโมโหนะอินังนี่มันโมโหอยู่ดูอย่างนี้เข้าใจนะค่ะอย่าบอกนี่ชั้นกําลังโมโหอย่างนี้ลุยแหลกเลยการนมัสการค่ะหลวงพ่อปฏิบัติในแนวทางหลวงพ่อมาสองปีเสร็จนะคะเป็นโทสะจริตซึ่งตลอดสองปีก็คิดว่าตัวเองเนี่ย ความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่พอช่วงน้ําท่วมหรือว่ามีเหตุปัจจัยทําให้เกิดความทุกข์เนี่ยจะเป็นข้อดีคือจะเห็นต้นเหตุของความทุกข์จนรู้ว่าที่เราคิดว่าเราโทสะจะลิตน้อยเนี่ยมันเกิดตั้งแต่การก่อตัวเพราะว่ามนาอัตากับการที่ความเห็นไม่ลงรอยกับคนที่คิดเห็นเหมือนเราด<อ>นั้นจังหวะของชีวิตตอนนี้เนี่ยจะเห็นสั้นลงแล้วก็จะมีสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันคือไม่ไม่ประคองก็ ก็หลงแต่มันจะสั้นมากจะรู้นาทีนึงรู้หลายๆรอบนะคะจนบางครั้งจะจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากดูแต่ก็ก็ก็ดูต่อไปนะคะเบื่อก็ต้องดูนะเบื่อก็ต้องดูที่ครูบาอาจารย์สอนเลยขยันก็ปฏิบัติชี้เกียรกเขปฏิบัติไม่เลิกอ่ะค่ะแล้วก็ทุกวันพยายามจะตั้งใจให้มีพลังโดยการเเดินจงกรมนั่งสมาธินะคะก็จะมีอยู่บางครั้งที่ดูเหมือนใจมันมันหลงๆเหมือนลมหายใจกับตัวเนี่ยมันไม่มีที่เกาะ มันเคว้งคว้างอยู่ตรงนั้นไม่ทราบว่าไม่รู้ทันว่าใจกําลังเคว้งคว้างอยู่ะอันนั้นรู้ทันว่ากําลังเคว้งคว้างแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจนปัจจุบันเนี่ยสภาวะนั้นไม่สําคัญอะไรก็ได้ให้รู้ทันจิตไหมค่ะค่ะคือที่ที่ยังมีความลังเลสงสัยคือณตอนนี้เนี่ยถึงขั้นเดินปัญญาหรือยังหรือว่ายังอยู่ในขั้นแค่รูไกลอยู่ินบ้างนะถ้าจิตเข้าฐานมันก็เดินค่ะ แ้าจิตออกนอกก็ไม่เดินตอนนี้จะเข้าใจเลยทั้งความที่จิตไม่ตั้งมั่นเพราะว่าจิตจะวิ่งไปเกาะนั่นแหละนั่นแหละพ <อ S 2> เะพราะวิ่งไปเกาะเนี่ยมันจะมีจิตตัวหนึ่งที่มาหลอกว่าถ้าเราไม่รู้ในเหตุการณ์ปัจจุบันแปลว่าเราเราเออมันเหมือนหลอกเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะมีจิตของการเข้าไปคิดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็จะมาลุกตัวใช่คะห้ามไ่คด้นะห้ามไม่ได้มันจะคิดเราห้ามไม่ได้ค่ะก็ฝึกดูไปค่ะก็ยังเเห็นไหมมันทํางานได้เองเห็นค่ะทําไมเราเห็นอนัตตารู้ไหม ค่ะเราชี้โมโหใช่ค่ะโลกโธสามารถอะปัญญามากค่ะพวกนี้จะเห็นอนัตตาเยอะค่ะแต่จะเห็นอนัตตาโดยการเทียบเคียงจะเกิดขึ้นบ่อยโดยอัตโนมัติอืค่ะเบื้องต้นจะเทียบเคียงออกก่อนะคต่อไปเห็นของจริงค่ะหมดยังค่ะไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมไหมคะก็ทุกวันทําในรูปแบบนะทำค่ะทำไปไม่หวังว่าจะดีค่ะแต่ทํำบูชาพระพุทธเจ้าค่ะ ใจจะได้มีกำลังแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตจะได้ตั้งมั่นไม่ได้ห้ามเคลื่อนเคลื่อนได้แต่เคลื่อนเรารู้เอาแล้วตอนนี้ประคองแรงไหมคะหนูประคองแรงไหมคะประคองสิก็ขออนุญาตการแน่นไหมแน่นค่ะเออถ้าแน่นแปลว่าประคองสรุปง่ายๆนะประคองก็รู้ประคองค่ะแต่พอยิ่งรู้มันก็ยิ่งประคองใหญ่เลยแล้วอยากหายรู้ว่าอยากยินรายะค่ะ รู้ถึงการดินลายปัจจุบันคือรู้ถึงการดินลายไ่ะค่ะก็ขออนุญาตกราบปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและอริยะบูชาค่ะสาธุนะเราต้องไม่ลืมพระพุทธเจ้านะเป็นต้นกําเนิดนําธรรมะมาให้เราแล้วก็ขอเที่ยวกาศท้ายนี้เป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับกล่าวคํา ถวายทานที่มีผู้มานำมาถวายไว้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปรโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาแลนานเทินสาธุยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครางัง เอวเมีวายโตทินังเปตานงอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยธามณีโชติรโสยธาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทาปจายโน จตาโรโธรมาวันตีอายุวันโนสุขขังพระลังโอ้หลวงพ่อเพิ่งเห็นว่าในตู้กระจกนั้นควรนอีกเยอะเลยไปก่อนนะธรรมะจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะคุ้มครองเราจะาความทุกข์จากความชั่วต้องรักษาศรรีลรักษาธรรมนะ ศีลธรรมถึงจะคุ้มครองเราอย่าให้เสียศีลเสียธรรมไปเสียอะไรก็ได้นะในโลกนี้เป็นของช่วคราวทั้งหมดเลยอย่าให้เสียศีลเสียธรรมไปได้สู้ตายนะ